คนจีนไม่ได้ตั้งเต็นท์เนี่ยวันนี้มีรถตู้่อนแกนสารคามมหาสารคามกับทีมคนจีนคอสจีนรอยห้าสิบรอยสิบสอง คุเก่าทั้งหมดก็ดีนึงอยู่ที่ภาวนาเอาแล้วลนะ่ะเรียนให้ได้หลักของการปฏิบัตินะแลลงมือภาวนาให้มันจริงจังหลักของการปฏิบัตินี่ขั้นแรกสุดเลยก็คือฝึกสติให้เกิดวิธีฝึกสติให้เกิดก็คือการเจริญสติปัฏฐาน อย่างเราคอยรู้สึกร่างกายหายใจออกคอยรู bbles, ้สึกร่างกายหายใจเข้าคอยรู้สึกคอยรู้สึกตัวไปเรื่อยๆร่างกายยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกหัดรู้สึกไปร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งก็คอยรู้สึกเอาร่างกายมีความสุขร่างกายมีความทุกข์ก็คอยรู้สึกเอาจิตใจมีความสุขจิตใจมีความทุกข์ จิตใจไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆก็คอยรู elijk, ้สึกเอาจิตใจโลภก็รู้สึกเอาจิตใจไม่โลภก็รู้สึกจิตใจโกรธจิตใจไม่โกรธจิตใจหลงจิตใจไม่หลงก็รู้สึกเอาจิตใจฟุ้งซ่านจิตใจหดหู่คอยรู้สึกเอาแค่รู้สึกเอารู้สึกถึงความมีอยู่ของกายของใจเรา เบื้องตอนไม่ได้รู้สึกทีเดียวเยอะแยะอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่แล้วเบื้องต้นหัดใหม่ๆเพื่อพัฒนาสตินะรู้สึกในสภาวะธรรมคู่ใดคู่หนึ่งเช่นรู้สึกถึงร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่หายใจเข้าคู่หนึ่งร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนนี่ก็ถือว่าเป็นคู่หมายถึงยืนมันไม่เหมือนกับเดินไม่เหมือนกับนั่งไม่เหมือนกับนอน เจะเห็นในะร่างกายเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในกิจปฎิสิยังนี่ก็เรียกว่าธรรมะที่เป็นคู่คู่คู่ตรงนี้ไม่ใช่ภาษาไทยนะคู่ตรงนี้มาถึงมีพาขี่มีตัวที่เทียบกันได้พนะลิกไปพลิกมาสุขทุกขนะ์ก็เป็นคู่กันเนี่ยหาดูคู่ใดคู่หนึ่งหรือใจเรากิเลสเยอะ ชีโมโหเราก็ดูใจโมโหกับใจที่ไม่โมโหเราเป็นคนที้โลภเจออะไรก็อยากได้ไปหมดเลยเราก็ดูคู่เดียวดูใจโลภกับใจไม่โลภเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็เฉยเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็เฉยดูเลยใจเราชอบฟุ้งซ่านฟุ้งหนีพิคิดเรื่องนอนคิดเรื่องนี้หลงหลงเพลอเอเพลิน เ, ป เ, ปเปไป กระใจที่รู้สึกตัวไม่หลงนี่ก็คู่หนึ่งใจฟู้งซ่านกับใจหดหูนี่คู่หนึ่งเรียนสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดสำหรับเราเองเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนดูเข้ามาถึงจิตถึงใจได้อย่างคนมีโทสาเยอะดูง่ายตาหูจมูกนิ้นกายใจกระทบอารมณ์โทสาขึ้นทุกทีเลย เนี่ยก็หัดรู้โธศาส์เกิดขึ้นก็รู้พอเรารู้ไปโทศส์มันก็ดับโธสาหายไปเราก็รู้เนี่ยฝึกอยู่แค่เนี้ยทั้งวันให้ตาหูจมูกลิ้นาใจกระทบอารมณ์ไปพอมีโทศส์ให้มาก็รู้พอเรารู้เฉยๆไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะโธศาส์เกิดได้โธศาส์ก็ดับก็เห็นเกิดดับเกิดดับอย่างนี้การที่เราเห็นสภาวะซ้ําแล้วซ้ํำอีกนะ ต่อไปจิตจะชำ ส, สภาวะได้แม่นอย่างเราดูจิตโกรธทั้งวันเนี่ยหุุดหีิดก็รู้โมโหรู้ขัดใจก็รู้นะไม่สบายใจขึ้นมาผุดผุดผุดขึ้นมาอย่างนี้ยรู้บ่อยๆต่อไปพอความโกรธหรือความไม่พอใจเลยรผุดขึ้นมานิดเดียวเราจะเห็นโดยที่ไม่ได้เจตนานะขั้นตอนต้องเจตนาเห็นจงใจคอยรู้สึกอยู่เรื่อยๆคนที่โกรธที่เราคอยดู ใจเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายคนขี yeah ้โลภก็ด uh> ูเดี๋ยวใจก็อยากเดี๋ยวใจก็หายอยากเนี่ยดูไปเงี้ยใจขี้โกรธนะดูโกรธบ่อยๆต่อไปพอใจมันโกรธปุ๊บสติเกิดเองเลยเราได้เครื่องมือสําคัญนะคือได้สติแล้วใจขี้โลภเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็หายดูบ่อยๆใจมันจําหน้าตาของความโลภได้ ความโลภไหวตัวเกิดขึ้นสติเกิดเอหรือรู้ทันสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายในจิตใจนะนี่เราจะต้องพัฒนาเครื่องมือตัวแรกเลยคือสติเนะื้อรู้ไปเรื่อยแล้วต่อไปเราก็พัฒนาปัญญาเรามีสติที่ถูกต้องเนี่ยสิ่งที่จะแถมมานะคือสมาธิที่ถูกต้อง สติที่ถูกต้องเรารู้สภาวธรรมถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเมื่อไหร่จิตจะตั้งมั่นอัตโนมัตินี้บางคนมันดูไม่ออกว่าจิตตั้งมัน่นครูบาอาจารย์ก็สอนคอยรู้ทันเวลาจิตไม่ตั้งมัน่นจิตไม่ตั้งมัน่นคือจิตที่หลงไปไหลไปคลอนแคลนโครงเคลงเดี๋ยวก็ไหลไปทางตาเดี๋ยวก็เยียงไปทางหู เอียงไปทางจมูกทางลิ้นทางกายเอียงไปคิดไหลไปไหลามาจิตใจนี่คลอนแคลนไม่ตั้งมัน่นครูบาอาจารย์ก็สอนให้เราคอยรู้ทันใจที่ไม่ตั้งมัน่นใจมันไหลไปดูรู้ทันใจมันไหลไปฟังรู้ทันใจไม่จะตั้งขึ้นมาไม่ไหลาการไหลเป็นสภาวาธรรมตัวหนึ่งถ้าเรารู้ทันว่าใจมันไหลไปรเราเรารู้สภาวาธรรมถูกต้อง ตามความเป็นจริงสภาวะตั้งมัน่นก็จะเกิดเองงั้นถ้าเราเข้าใจหลักตัวนี้เราจะรู้ว่าสภาวะอะไรก็ได้นะไม่เฉพาะสภาวะที่ไหลหรอกโลภขึ้นมารู้ว่าโลภอย่างถูกต้องเนี่ยจิตก็จะตั้งมัน่นสติรู้ทันความโลภที่เกิดจิตตั้งมั่นเป็นคนดูขึ้นมาไม่ตั้งเองแต่ถ้าจับความตั้งมั่นได้ไม่ชัดนะก็ค่อยรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมัน่น จิตที่ไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตที่ไหลไปทางใจคือไหลไปคิดเน่ยเกิดปล่อยที่สุดและครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่จะมุ่งมาที่จิตคิดนะให้รู้ทันจิตที่คิดหลวงปู่ดูลย์เนี่ยสอนจิตให้คิดคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดอาศัยคิดใปล่อยให้มันคิดพอมันคิดไปจิตก็หลงตามไปจิตหลงตามไปมีสติรู้ทัน เราเคยดูบ่อยๆเพาหลงเป็นอย่างนี้จิตไหลไปหลงไปสติรู้ทันสภาวะที่หลงนั้จิตก็ตั้งอัตโนมัตินลยท่านสอนคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดตรงที่เรารู้ทันว่าจิตหลงนตรงนั้นไม่คิดแล้วหลวงพ่อเทียนก็สอนคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวความคิดผุดขึ้นมาก็วิ่งไป แมวมีสตินะเป็นตัวตะครุบจับหนูได้หนูวิ่งไม่ได้ละแมวจับมาไว้พอความคิดมันหยุดปุ๊บตัวรู้มันจะเกิดแต่จับหลักให้แม่นนะตัวรู้เกิดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะการรู้ทันจิตที่คิดนะถรู้ทันจิตที่ดูรู้ทันจิตที่ฟังรู้ทันจิตที่ได้กลิน่นจิตที่ไหลไปรู้รสทางลิ้นจิตที่ไหลไปในกาย จิตก็ตั้งมั่นเหมือนกันรู้ทันความโลภที่เกิดขึ้นจิตก็ตั้งมั่นรู้ทันความโกรธที่เกิดขึ้นจิตก็ตั้งมั่นรู้ทันความหลงที่เกิดขึ้นจิตก็ตั้งมั่นรู้ทันความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นจิตก็ตั้งมั่นรู้ทันวันเนี้ยตอนนี้หายใจออกเห็นร่างกายหายใจออกจิตก็ตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจออกมีสติรู้ว่าร่างกายหายใจเข้าจิตตั้งมั่น เป็นคนดูอย่างนี้ก็เรียกว่าได้สมาธิเหมือนกันสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยอาศัยสติที่ถูกต้องทําให้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าเคยสอนนะว่าสติที่ที่ดีที่บริบูรณนะ์จะทําให้สมาธิบริบูรณ์ขึ้นมาด้วยถ้าเราพัฒนาสตินะแเราก็จะได้สมาธิอัตโนมัติขึ้นมา หัดดูสภาวะไปเรื่อยๆนะสภาวะที่พระพุทธเจ้าแนะนำก็คือสภาวะในสติปัฏฐานนะเราก็เลือกดูในสติปัฏฐานนะบางตัวบางปร ะ, ระทําไปเพื่อสมถะนะอย่างเดียวนะมีนะในสติปัฏฐานบางอันเป็นสมถะอย่างเดียวบางอันเป็นทั้งสมถะทั้งวิปัสนาอย่างอนาปนาสตินะ ทำให้เป็นสมถะก็ได้วิปัสสนาก็ได้ mm. การดูจิต ด, ดูใจก็มีทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาเพราะฉะนั้ น, นสติปัฏฐานนี่มันจะครอบคลุมสมถะและวิปัสสนาแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้พูดเรื่องสมถะวิปัสสนาเราพูดเรื่องความมีสติสติเป็นเครื่องมือสำคัญถ้าขาดสติตัวเดียวศีลก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มี เมื่อศีลสมาธิปัญญาไม่มีวิมุตต์คือมรรคผลก็ไม่เกิดมรรคผลไม่เกิดวิมุตติญาณทัศนะคือการรู้ว่ากิเลสอะไรละแล้วกิเลสอะไยังไม่ละก็ไม่เกิดนะหรือถ้าเป็นพระอราหารันต์นก็จะรู้แจ้งพระนิพพานนะจะรู้จักพระนิพพานเป็นบริบูรณ์ขึ้นมาอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยไม่ต้องส่งจิตไปเข้านิพพานหรอกหนะึ่งบางท่านบางคนก็สอน นิพพานเหมือนโลกโลกหนึ่งเวลาเราจะตายแล้วก็นึกถึงใจเรากาไหลไปอยู่ที่นิพพานนั่นไม่ใช่นิพพานไม่ใช่นิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นนิพพานพรมนิพพานฮินดูอะไรเงั้ยไปถ้ฝึกสติสติจะเกิดเมื่อจิตจำสภาวะได้แม่นจิตจะจำสภาวะได้แม่นเมื่อเราเห็นสภาวะบ่อยๆขั้นแรกหัดดูสภาวะบ่อยๆ ร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกเนี่ยดูบ่อยๆต่อไปพอกรัดขึ้นมานะลืมตัวเองจะไปชกเขาละลมหายใจมันถี่ขึ้นเวลาเราต้องใช้พลังงานมากๆนะลมหายใจมันจะห้ใจแรงขึ้นอย่างเวลามีราคะจะเม็กเลิฟอะไรเนี่ยลมหายใจก็จะแรงขึ้นเพราะเวลากิเลสเกิดนั้นลมมันจะแรง เราเคยมีสติรู้ทันลมนะพอลมแรงปุ๊บสติเกิดเลยนะกิเลสดับอัตโนมัติเลยเพราะสติเกิดละเนี่ยหัดดูสภาวะไปนะดูสภาวะคู่ใดคู่หนึ่งที่เราถนัดถนัดที่รู้กายก็รู้กายเอาการรู้กายดูได้หลายมุมไม่ต้องดทูทุกสิ่งทุกอย่างในกายแค่ดูว่า ตอนนี้ร่างกายห้ใจออกตอนนี้ร่างกายห้ใจเข้าแค่นี้ก็พอหรือไม่ชอบดูลมหายใจนะมันเร็วเกินไปนก็ดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนอย่างขณะนี้ร่างกายนั่งรู้สึกแค่รู้สึกว่าร่างกายกำลังนั่งอยู่เรารู้สึกเฉยๆนะไม่ต้องทำจิตกลุ้มๆนะมันยากตรงเนี้เพราะมารยาเยอะนักปฏิบัตินะมันมารยามากให้รู้ว่าร่างกายนั่งก็ต้อ มาครับร่างกายแล้วนั่งอย่างเงี้ยเป๊ะเลยนั่งได้ที่แล้วก็ทำใจนิ่งๆไม่จะดูร่างกายนั่งไม่ได้เรื่องหรอกขนาดนี้นั่งอยู่แล้วนั่งอย่างนี้ก็ได้จะนั่งแบบหลวงพ่อคูณก็ได้จำได้ไหมหลวงพ่อคูณนั่งท่าไหนจะลองนั่งไหมนั่งลำบากนี่เราคนนั่งเก้าอี้นั่งอย่างหลวงพ่อคูณลำบาก แต่ท่านั้นท่านสบายของหลวงพ่อคุณนะแล้ท่านสบายแล้วอะไรเกิดง่ายสมาธิเกิดง่ายนั่งท่านั้นของท่านท่านสบายนะอย่างเนี้ยนั่งกอดอกนะรู้สึกได้ไหมว่าร่างกายนั่งอย่างเนี้ยนั่งกอดอกอย่างเนี้นะพยักหน้ารู้สึกได้ไหมร่างกายพยักหน้าต้องวางฟอร์มไหมถึงจะรู้ไม่ต้อง รู้สึกอยู่ในร่างกายเลยก็รู้สึกตรงนั้นปวดตรงนี้เมื่อยตรงนี้คันลองดูสิเดี๋ยวว่าคันแนะยิ่งหลวงพ่อพูดอย่างนี้นะจะยิ่งคันเร็วเลยทําไมแต่กี้ไม่คันแต่กี้คันแต่ไม่รู้สึกกาเไปเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้พอหลวงพ่อพูดเรื่องร่างกายมันคันมันมีเวทนามันชักสนใจอุ้ยคันแนละ้วตัวนี้คันนะ เนี่ยเอาใหญ่เลยใช่ไหมเอาใหญ่เลยมันสนใจนะเมืนน่อเห็นบ่อยๆหรือจิตใจเราขนาดเนี้ยจิตใจเราสุขหรือจิตใจเราทุกก็รู้ไปนะมันสุขก็รู้มันทุกก็รู้มันเฉยๆก็รู้จิตใจที่สุขเนี่ยมีหลายแบบนะจิตมีราคาก็มีความสุข จิตเป็นกุศลก็มีความสุขจิตที่เลยกุศลเลยอากุศลไปจิตที่สัมผัสปณิพานก็มีความสุขความสุขไม่เหมือนกันจิตที่มีราคาก็สุขสุขแบบแสบแสบแบบร้อนร้อนมีความสุขสุขที่เป็นกุศลอยรู้สึกร่มเย็นสุขแบบร่มเย็นสุขด้วยกิเลกก็สุขแบบร้อน ถ้าสุขอย่างพระนิพพานนะเลยไปสุขเฉยๆสุขจริงๆไม่ได้สุขเพราะกุศลหรืออ ก, กุศลมีหลายระดับนะความสุขพวกเราตอนนี้รู้จักความสุขอันไหนบ้างรู้จักความสุขจากกิเลสรู้จักไหมเวลามีคนมาชมเราเงี้สวยจังเลยรู้อยู่ว่าเขาแกล้งชมก็ยังดีใจ หรือเรารู้สึกเราสวยเต็มที่แนละ้วคนมาแต่งแซวไม่สวยเลยใจญหุนหินนะถ้าใจญหุนหินไม่มีความสุขถ้าใจพอใจในอารมณ์ก็มีความสุขอันนั้นเรียกว่ามีราคะาถ้าใจเป็นกุศลเมื่อทีก็มีความสุขอย่างเรานั่งฟังธรรมอย่างเงี้ยรู้สึกมีความสุขไหมใจเราสนใจที่จะฟังธรรมะนี่จิตเป็นกุศลนะ ม, มีฉันท้ามีความพอใจที่จะฟังธรรมะแต่พอหลวงพ่อเทศไปเรื่อยๆนะชักหิวข้าวกลิ่นอาหารให้มันเตะจมูกเดี๋ยวเตะซ้ายเตะขวานะเข้ารูจมูกซ้ายรูจมูกขวาโดนก็ไปหลายทนะีอยากให้เลิกเทศจะไม่ได้ไปกินข้าวความสุขหายไปแล้วโทศาส์เกิดขึ้นแทนหลวงพ่อนั่งอยู่เฉยๆเนะี่ยที่นั่งอยู่หรืออาบน้าอยู่นะ มันหอมขึ้นมาเฉยๆนะจมูกเราคงเพี้ยนไปน้ำฝักบัวน้ำก๊อกเนี่ยควรจะมีกลิ่นคลอรีนมันหอมออกมาเหมือนเอาดอกไม้มาใส่หอม ใ, ใจเรามีราคาเราก็ชอบถ้าอามๆอยู่แล้วเหม็นขึ้นมาเนี่ย ใ, ใจก็มีโทสะจะมีผัสสาที่พอใจราคาก็เกิดเวลามีความสุขก็ดูให้ดี ที่สุขเพราะได้ผัสสะที่พอใจอ น, นี้ราคะาห้ามีความสุขเข้าใจไม่ไหลาตามกิเลสไปนี่เป็นใจมีความสุขแบบมีกุศลส่วนความสุขของพระนิพพานพวกเรายังไม่เจอภาวนาไปก่อนจนเหนือดีเหนือชั่วเหนือดีเนือชั่วก็จะเจอความสุขที่แท้จริงความสุขอันนี้เราไม่ต้องเข้าไม่ต้องออก ไม่มีเกิดไม่มีดับไม่มีอะไรเป็นความสุขอามัตตานะนิพานเป็นอามาตะายิ่งจิตเรามีความสุขเราก็รู้รู้ได้ไหมจิตมีความสุขจิตมีความทุกข์เราก็รู้จิตสงบเราก็รู้จิตฟุ้งซ่านเราก็รู้อย่าพอหลวงพ่อพูดเรื่องพระ น, นิพพานพวกเราสังเกตดูจิตเราฟุงา้งซ่าน คิดใหญ่เลคิดคิดนิพพานคิดเอาไม่ได้เมื่อไรจิตปล่อยวางความยึดถือในรูปนามจิตหมดตัณหาจิตหมดความยึดถือในรูปนามจิตก็หลุดพ้นจากอสวะแล้วก็เห็นพระนิพพานตราบใดที่มีตัณหาอยู่จิตก็ยังมีความยึดถืออยู่จิตก็ยังหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจหยิบฉวยรูปนามขึ้นมา ก็ไม่เจอพันิพาพาะฉะนั้นจิตเรามีกิเลสอะไรเกิดขึ้นเราก็คอยรู้ไปเรารู้ตัวเองไหมว่าเราเป็นพวกมีราคะมากหรือพวกมีโทสะมากใครรู้บ้างใครรู้ตัวว่าเป็นคนขี้โมโ ห, โหไหมมีไหมใครรู้ตัวว่าเป็นคนขี้โลภอยากโ น, น่นอยากนี้อยากเรื่อยๆใครรู้ตัวว่าเป็นคนขี้หลง ใจลอยทั้งวันเลยหลงเม่อเม่อร้อยรอยคนเดียวบางคนยกสามือหเลยสามครั้งเลย <c oughs> <c oughs> แต่ว่าดี <c oughs> เห็นกิเลสได้ละเอียดละอ่ะแต่ละคนมันก็มีทั้งโลภโกรธหลงนะั่นแะแต่ว่ามันมีตัวเด่นนะมีตัวเด่นถ้าเราเป็นตัวขี้โลภเรามีความโลภบ่อยๆความโลภย้อมใจอยู่ตลอดเวลานะห้ามไงก็ไม่ฟังนะ เราก็จัดการมันด้วยสมถาก่อนสมถาที่เหมาะกับพวกขี้โลภเนี่ยพิจารณาลงไปเราชอบผู้หญิงคนเนี้ยชอบชอบไปเจอผู้หญิงอีกคนก็ชอบเจอใครก็ชอบไปหมดเลยเราพิจารณาปฏิคูลณสุภาษุด้วยผู้หญิงที่ว่าสวยอ่ะมันสวยอยู่ที่หนังที่ผมคนเล็บฟันหนังเท่านะั้นผู้หญิงแสนสวยนะี่ยจับมาถอนผมหมดเลย เลอไหลซิบซิปิิอยู่บนหัวเนี่ยสวยไหมสวยยิ้มหวานแล้วจับมันถอนฟันออกมาถอนด้วยใจเรานะอย่าไปถอนจริงนะติดตารางก <c oughs> ำหนดลงไปเนี่ยเป็นหมอฟันใช่ไหมยิ้มฟันขาวเนยเรานึกยังไม่มีฟัน <c oughs> ยิ้มเนี่ความสวยไม่เหลือละ <c oughs> สวยอยู่ที่ผมกดเล็บฟันหนังเอง งั้นเวลาถ้าจะบวชนะอุปชาจะต้องสอนเนระื่องผมคนเล็บฟันหนังอย่างน้อยก็ไว้สู้กับราคาได้ถ้าเราเป็นคนโลภมักใหญ่ฝ่สูงอยากใหญ่อยากเด่นอยากมีอำนาจอะไรเนี่ยเพียยหนักความตายบ้างโอ้ใหญ่แค่ไหนว่าพอตายมันก็ีก่นๆอะ่ะยุคสมัยอยุทธยานะ พระเจ้าแผนดินตายเนี่ยเขาก็ใส่ในโถทองคำหยิบทองคำกระดูกเอากระดูกไปใส่แล้วก็ใส่ไว้ในเจดีบ้างอยู่บนหอพระธาตุมนเทียนหอพระเทพบีดด อ, อะไรเก็บเก็บเอาไว้เขากรูแตกคนก็บุกเข้าไปเอากระดูกโยนทิ้งแล้วเอาแต่พระอ บ, บไปโยนทิ้งเหมือนกระดูก ธรรมดากระดูกหมูกระดูกมา้ากระดูกเป็ดกระดูกไก่เนี่ยพีนาไปโอ้สมัยเคยใหญ่มากเลยใครๆก็ต้องนับถือถึงชุดหนึ่งเขาไม่นับถือแล้วเขาเอาทองไปหมดแล้วเอาเพชรเอาทองไปเข้าไปโยน์ทิ้งชีวิตเนี่ยดูสิครั้งหนึ่งใหญ่โตผ่านนานๆไปนะไม่มีคนรู้จักแล้วอย่างสมัยตอนนี้เราไปเจอ กระดูกคนใหญ่คนโตที่อายุทยาอยู่สักชิ้นหนึ่งเราจะมือไปหยิบไหมหยิบมาบางคนหยิบขาวว่าให้หวยได้แล้วมาขัดนะ <c oughs> <c oughs> เผื่อมีเลขถ้าเราเจอปกติคนปกติเจอกระดูกอยู่คนน้เอาเท้าเฉียบเฉียเียบไว้ให้พน้น พยายามนะพยายามรู้สึกอยู่ในร่างกายร่างกายหายใจรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งเหลียวซ้ายแลขวารู้สึกยิ้มซ้ยยิ้มเนี่ยร่างกายยิ้มรู้สึกแค่รู้สึกเอารู้ได้ใจรู้สึกไปเรื่อยๆต่อไปก็ยกระดับความรู้สึกขึ้นมาหมายรู้ลงไปร่างกายที่เรารู้สึกอยู่เนี่ยไม่ใช่เราหรอก มันเป็นของถูกรู้ถูกดูเนี่ยยกระดับการหมายรู้ขึ้นมาทีแรกแค่รู้สึกเฉยๆต่อไปเราเติมสัญญาที่ดีเข้าไปสัญญาคือการหมายรู้ไตรลักษนะสัญญาที่ดีดูลงไปร่างกายที่มันนั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่เราหรอกทีแรกคิดเอาก่อนก็ได้ต่อไปพระจิตมันมองเองมันจะแค่รู้สึกอย่างทีแรกเราแค่รู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอน แล้วเรามาหัดหมายรู้มาคิดดูร่างกายที่นั่งไม่ใช่เราหรอกนะเหมือนอูโมงอันหนึ่งที่จิตอาศัยอยูนะ่เป็นเปลือกเป็นถ้ำนะพิยารณาไปเป็นกากระตุ้นให้สัญญาหัดมองนะพอสัญญามองเป็นแล้วเราก็แค่รู้สึกว่านะร่างกายนี้ไม่ใช่เราหรอกนะเป็นเปลือกเป็นถ้าเป็นวัตถุไม่ใช่เราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ ค่อยๆหัดดูอย่างเงี้ยจิตอย่าขึ้นวิปัสนาวิปัสนาต้องอาศัยสัญญาที่ถูกต้องนะที่จะเกิดวิปัสนาบางคนมั่วว่าสัญญาเป็นศัตรูของวิปัสนาไม่ใช่สัญญาที่เพียเพ้ยนๆสัญญาวิปลาสของไม่เที่ยงก็คิดว่าเที่ยงของไม่สุขก็หมายรู้ว่าสุขของไม่ใช่ตัวเราก็หมายรู้ว่าเป็นตัวเราอย่างนี้เรียกสัญญาวิปลาสคนทั่วไปมีปุถุชนมี นี่เราจะพัฒนาการหมายรู้การหมายรู้ร่างกายเนี่ยมันไม่เที่ยงนะมันเป็นวัตถุมไม่ใช่ตัวเราหรอกทีแรกเรามีสติรู้กายบ่อยๆจะแค่รู้สึกอยู่ในกายพอรู้สึกได้ชัน่นี้ชํนานาญร่างกายขยับเนี่อรู้สึกหมดเลยเราก็หมายรู้ลงไปอีกร่างกายที่ทุกทิกอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เราหรอกเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเหมือนตัว AI หุ่นยนต์ตัวหนึ่งท่าน กระดุกกระดิ๊กไปจิตเป็นคนสั่งดูไปเรื่อยๆต่อไปแล้วมันไม่ต้องเจตนาหมายรู้นะมันจะรู้สึกอย่างร่างกายไม่ใช่เราเหรอกเนี่ยรู้สึกไม่ใช่เราอะใครเคยแปลงฟันแล้วรู้สึกมือไม่ใช่เราเพาะมีไหมถ้าแปลงฝันเนี่ยตามสถิติจะมีบ่อยที่สุดตอนแปลงฝันแล้วจะเห็นว่ามือท่อนๆเ น, นี่ยเห็นไม่เป็นท่อนๆไม่ใช่เราแล้ว แ่วั น, นี้ยกอย่าดมขึ้นมาดมรู้สึกไหมมือมันไม่ใช่เราหัดรู้สึกไปทีแรกแต่อย่าทำใจซื้อบื้อนะทาผิดแล้วจะไม่ได้เรื่องนะไอ่ตอนนี้หัวล้อเห็นไหมไอ้ตัวที่หัวร้อไม่ใช่เราเนี่ยหัดรู้สึกทีแรกพัฒนาสตินะต่อไปก็พัฒนาปัญญาด้วยการหัดหมายรู้ก่อน แ้ต่ไปเป็นหมาดูเองแล้ววิปัสสนาจะเกิดนะแต่บอกแล้วนะว่าต้องมีสมาธิตรงที่สติถูกต้องสมาธิจะเกิดนะพอไหวเปล่าในฐานะที่วันนี้คนจีนมาเข้าคอร์สเป็นคอร์สคนเก่าๆพาอก็สอนละหอียดขึ้นไปหน่อยเอาไปทานะไปทำแล้วก็เอาให้พ้นทุกข์นะในชีวิตนี้ถ้ามันพ้นได้นะ ถ้ามันพ้ไม่ได้ก็ให้มันทุกน้อยๆอย่าอยู่กับโลกอีกต่อไปโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ขึ้นไปอยู่ฟลอมโลกนะี่ไม่ยากหรอให้ได้อนาคาล้มขึ้นเองนะถ้าตรงนี้ยังไม่ได้ก็เอาโสดาสกทาคาอะไรเนะี่ยเราตั้งใจไว้ขอไปภาวนา ต, ต่อข้างบนในโลกนี้อยู่ยากขึ้นทุกทีแล้วเหนื่อยเทคโนโลยีเปลี่ยนทุกวันเคยทํามหากินนะแต่ก่อนกิจคารอัหนึ่งเนี่ย ทำตั้งแต่รุ่นทวดรุ่นปู่รุ่นพ่อรุ่นแม่ทำกันมาเรื่อยๆเดี๋ยวนี้กิจการอันหนึ่งน ะ, จะเจริญรุ่งเรืองอยู่สามเดือนเชงแล้วเปลี่ยนเร็วมากเลยทุกอย่างเปลี่ยนเร็วมากการจะวิ่งตามนิดหน่่ยนะมันจะไปตามมาเลยภาวนาะหนีไปดีกว่าปล่อยให้พวกที่เขาสนุกกับโลกเขาอยู่ของเขาไปนะเขาแย่งกันไปนะ่าสงสารนะดูด แต่เข้าคงสงสารพวกเรามากกว่าไปฝึกเอานะไปไปกินข้าวนี่หมดเลยครับ